อ่าบางเขอ่าบางเขเอน้อยขอเป็นทีนโมตัสสะะคาวตอะราฮาตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคาวาตอะรต สามมาดามพุทธาจารย์นโมตตสพะพาวาตูอะระหูตามมาตามพทธาจารย์นสีเมตระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวะหลังสังโฆเมตระนังวะหลัง ใ <c oughs> นวัดนี้จะในอาชีพอันเราผู้สิทธนมนุษย์เนนัดที่อิเรื่องอย่างอื่นสมบัตอย่างอื่นเอามาเป็นสิทธง อันนั้นเป็นเพว่ามันเป็นหนทางแห่งความสิดหานมันไม่เหมือนพระพุทธพระทรรมพระสงฆ์นัตถุเมสาละนังอัยนยั่งพพุทโธเมฆสละนังวลังพระพุทธิป็นตัพึ่งของตนพระธรรมเป็นพึ่งของตน พระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของสมอันนี้ทเที่ยกว่าสมบัติอันดีเรียกว่าเป็นสมบัติเหมือนแก้วที่มันมีความเศร้าหมองไม่มีการคุกกบดกใดๆทุกอย่าง เมื่หร่เราทุทธไม่ตรงติ c เนื้อเมื่อเวลาอยู่ดีสีพอทุพุทธสีพระับเมื่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวเข้ามาสืสีสีสารนะสิที่ไหนสิอันนี้ท่านแน่ว่าตนของตนอันเอ เ่ลงมือจอะตาบอดเงิเกิดป่วยไข้ใจ้จะตายแล้วมันเอาผี ม, มาเป็นผีฟึ้่ให้เราคิดนึกในตัวของเราผีทั้งหลายนั้นมนันเป็นของมืด คนเอาสารนะหีมาเป็นี่พึ่งบุคคลนั้นเสนอไปตกนรกตันตะนะตันตะ เ, นเป็นระดับที่สองของอาเดีอันนี้ให้เราคิดนึกหีทั้งหลายไปรบหีนาง ไม่งานเหมือนสีอน่าเรียกเหมือนสีที่เลยเหมือนสีมันไม่ดีเหมือนสีทำไมคนเราจึงเอาสาณะสอมาเป็นสีพึ่งไปวายไปบูชาสีไปเลึกยงเืองสี เดี๋ยววจนของตนนั่นเองระลึกถึงประพุทธถึงพระทํามถึงประสงเป็นสลนาณะคือขึ่งของตนผลประโยชน์ของตนอันต่อไปภายหน้าหน้าที่ของตนนั่นเองจะได้รับผลแห่งความสุขเป็นมนุษย์และเป็นรสดา บุคคลที่เขาเป็นสัตว์สิ้นเนือสัมในโลกในเวลาปัจจุบันปลาในน้นสัตว์ในบนบกตัวใหญ่ที่สุดในน้ำก็เปราวหวานตัวใหญ่ที่สุดในบน บ, นบกก็ปเปรี้ยชจ้างกระชั้นสิ <c oughs> ่งเหล่านี้เราเห็นประการใด ตนของตนนั่นเองเป็น ม, น, มนุษย์แล้วเอาสะะาระที่ไหนดีมาเป็นสมบั ต, ขติของเจ้าของให้เราทุกคนจุดพิดนึกในชีวิตวัาเดียวนี้ให้เราทุกคนเกงตั้งใจว่าพอพุทธคันเรียกว่าเป็นแก้วสะะาระอันดี ัำพญาวัดสิงเตล์ธนาณัณะอันดุพระอัยยะสงฆ์เจ้าธรรมราชสิงเตล์ธนาณะติอันดุพุทธังธนาหนังพัสน์จินี้ธนาณัติอันอื่นไม่เหมือนพระพุทธธาณะอันปะเสริฐให้เราทุกคนเป็นทิศอาคันยลาเจ็บป่วยไข้คันยลาไปสบายแล้วว่าหรือไ หาสีสามมาลางดงไปไหว้ชองสีไปตามเลือกจรรกัน <c oughs> อันนี้ยากกว่าตนไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งเอาชิงที่มาดีจนกระนาดเอามาเป็นที่พึ่งของตนอันนั้นละจะไม่พึ่งตัวตายเลือไปตกนลก คนนะโลกมาแล้วก็มาเป็นศาสตร์ศาสตรในโลกสัสตร์โลกมากที่สุดจนนับคาลนาประมาณได้เลยศาสตระดับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเคยเป็นมนุษย์แต่งมาถางนั่นแต่ด้วยเหตุนใจนจึงต้องการสมัครอยากจะเป็นสัสรตร์เาสตร์กเพราะวาความตนของตอนนั่นเอง เป็นคนงมงายเป็นคนไม่รู้จักสมบัติอันดีประการใดว้ขีสามมาล่างลงไปําเนื้อสกุลประสาเอาขีเป็นหมู่เอาขีเป็นศาลาเอาขีเป็นคือพึ่งเอาขีเป็นสมบัติเอาขีเป็นเจ้าของเจ้าของขี่งหลายให้เป็นผู้รักษาตัวของเรา ใครว่ดีแล้วผีทั้งหลายผีทั้งหลายมาทุกขกับผีทุกที่็นโลกทุกหลักฐานขึ้นตัวผีแล้วที่ไม่ดีดันั้นทุกหลัตฐานทาไมเราจึงยินดีพอใจทําไมยังเอาติดติดเพิ่อันนี้ให้เราคิดอ่านตนของตนเพราะฉะนั้น ในการให้ไหวจะแต่ว่ า, วานักชื่มีสารนางอันยังนักชียังอื่นของข้าพุทโธมีสน า, นารนางวลาลังขอพุทธพระเจ้าขอที่ตึษาเซในโลกเป็นสารณาที่ชื่นของข้าพโมมีสน า, นารนางวลาลัง เอเดนาคับเอนะส่วที่มีโพสตสัพพะทศธรรมคำสอนของพุทธะที่บอกหอนทางที่ไปสู่ความสุขที่บอกหอนทางไปสู่ความทุกข์อันนี้ัขาแหนกว่าเป็นธรรมะเป็นคำสอนที่รักษาบุคคล ผู้ที่ตั้งใจทำความดูบุคคล น, นั้นแปลว่าเขาได้ความสุขเป็นมนุษย์เป็นเจ้ดาตลอดปัปมนุษย์ไม่เต็มในสวรรค์นรกเปรดสีทั้งหลายไม่เต็มนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกยุคสมัยพุทธเจ้ามาสาสตร์ในโลก Quand, องค์ภระยังมีพระอรหันต์ัยยังมีในโลกมนุษย์ทั้งหลายขนะที่ไปสู่สวรรค์หลังไ้ลกันขึ้นไปเมืยุดติยอดยิ่งพระพุทธเจ้าวิญญาณที่มีอายยืนแสนตื่นพระเจ้านิพพานแล้วยังอีกแสนที่พระสงฆ์สมาธทตั้งส่อ มนุษย์ทั้งหลายก็ขึ้นไปสู่ตวนันเป็นเะดักกันไปตลอดเมื่อมดพุทธะแล้วไม่มีเลยหน้าที่มนุษย์ทั้งหลายก็ต้องไปสู่นรกคนจกนรกกันมาแล้วหน้าที่ไะเป็นปีศาเป็นศีลเป็นสัตว์อยู่ในโลกประการใด สวยผลความทุกข์ของตนอยู่ตลอดเป็นนิเป็นไมัยพวกเราจะไม่คิดไมอ่านแล้วในชีวิตของตนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยควรจะมีปัญญาความคิดต่างเราเป็นมนุษย์มาบัเดียวนี้มาด้วยอย่างไรอะไรท้าใตนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ อะไรพาฮัจญจนเราตกแต่งเป็นรูปของมนุษย์อะไรที่อยากมาคุ้มครองตัวของเราจะเป็นมนุษย์สัตว์เอกสารอะไรจะคุ้มครองอะไรตกแต่งตัวควรอ่านด้วยในชีวิตของตนทุกคนเมื่อเวลาเป็นไข้เป็นหนาวอะเอาผีสารมาลางดง ว่าตามเรื่องพระศี า, าษะในที่คเคอ่านในทฤษฎีหน้าที่ก็ต้องไปนรกนรกมันเห็นนะให้เอาคิดอ่านในโจของเราทุกคนตายแล้วว่าให่อยากที่น้องข บ, บุญหาผู้พิจาร์เปพระเจ้าตั้งสมัยพุทธศ ดิพติสิสิเวสภูคุสันโภโคนะกามโนกัตถภโภตโมจนตลอดอยากที่น้องขุนผงของเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงคำบุญในฐานจนของจนเป็นพ้นไปอันตราดตามทั้งมือเตก่อไม่คือสยความทุกข์จนตลอดเชนี้ยุกสมัยพระเจ้าพุทธา อันนั้นเปนวรือเดลาอันนี้ะนิสัยปัจจัยหรือว่าก็คือมีคนหลาดอย่างสมุนยกติใจยากสิน้องขั้นข้าบุคกรัมความช่บของตนอย่างเหนือเออจะทำึกทำตัวไรจะทำไปเลมันต้องมาในรักอะไรชันอย่างมันต้องสวยความทุกตลอดไป นี่ให้เราทุกคนจงติดนึกตัวของเราบนเดียวนี้มันจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์มันจะไปเกิดเป็นสิ่งผีเกิดัหรือเิดมนุษย์ให้เราทุกคนจงติดนึกในตัวจบทอนขันคนไหว้พระตั้งใจทุทขังคำมั ง, งสังขังตะระนัง ก, ก, กัตตาม เป็นสาระที่พึ่งของตนอยู่ตลอดจุดนี้บุคคลนั้นหน้าที่ของเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเกิดมากระพวกวักปัณฑิตหน้าที่จะเพิ่มความดีให้จิตจิตของตนตลอดปไปอันนี้เพ็นงานวิปผ ล, ปนนลปจุดนิดใส่ถึงปัจจัยให้ความดีไม่ให้หนีจากใจของเราตลอดตั้งไปจุนิด เราทุกคนคนคิคนอ่านคนคิเจอนาเพราะฉะนั้นในการที่ให้ไหวฟ้ขอพุทธธรรมขอสุนั่คือนนั้นที่ดึงสานี้กะรนังอย่างพุทโธมีกานังวารังอื่นๆดั้เิโสที่มีหัวถัตปะามีตะเพร่อเรา มีให้เราทุกคนจบคิดอ่านให้ดีในชีวิตของตนให้สาระอันมีคุ้มครองอยู่จนตลอดไปในชีวิตของต น, นีือในเวลาบันเดียวนี้เรามีชีวิตอยู่แล้วตนของตนแปลว่าเงินพระพุทธธรรมพรสสงเป็นที่คุ้มครองตัวของเรา สองธรรมะเป็นที่คุ้มครองโสของเราสามบุญกุศลเป็นที่คุ้มครองโสของเราสีความดีใจใจเที่ยวทำไปเนื้อเป็นที่คุ้มครองโสของเราหน้าที่ทุกข์ตนก็แปลว่าเป็นคนที่ใสสะอาดไม่สุกปรกไม่เป็นคนมืดเป็นคนสว่าง มนุษย์สิวะร่างกายที่มนุษย์ใจใจตินตัวดายจนตลอดไปเมื่อใจนี้จากร่างกายอันนี้แล้วก็ต้องเป็นเทพเจ้าทั้งหลายทั้งสิ้นเพราะร่างกายอันนี้ขาดทั้งสี่ขาดดินขาดน้ําขาดลมขาดไก่สี่อย่างนี้มันมันสมมตเสมอกันใจมันรักษาไม่ได้แล้ว ต้องหนีท่านเอียขันท่าท่านเียยังคุ้มคลองกันอยู่ใจม่นต้องอยู่ไปในร่างกายอันนี้บุคคลมีปัญญาแล้วอยู่ในร่างกายนี้เขาใช้ร่างกายนี้ให้เป็นผลประโยชน์ให้ความสุขให้แก่จิตตลอดปไปบุคคลมืดแล้วนั้นเขาต้องใช้ร่างกายอ น, นี้ให้บาปตามทับถม ให้เจะจิตของตนเึ่งให้คืนตัวตายแล้วประส้นรกกันตัดแปลว่ามืดมันมืดไปจากมนุษย์นี่คือนี่ให้เราทุกคนจงทิกอ่านตัวเจของทุกวันทุกเชนาทุกวันความตายของเราใครรู้อ่ะต่อไปมือน่ะลมหายใจยังมีอันนี้แปลว่าอันนี้คื ทั้งหมดลงหายใจแล้วก็แปล ว, ว่าใจหนีจากหลางกายห่นนี้ไม่จะขาดสองเท่านั้นเลยขาดทิงกับขาดนา้าอยู่ในหลางกายห่นนี้ขาดลมหนีไปาสาดไปหนีไปใจก็หนีไปจบของผู้ดูเลยบุคคลมีปัญญาแล้วเขาได้หลางกายนี้ก็ทําความดีเพิ่มอยู่เสมอ ในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ให้เราทุกคนจงทิพนึกในตนของตนทุกคนนักที่เมตสานางอันยั่งนักทิ่์ตื่นข้าไม่นับถือภพโทเมตลานางวลังพระพุทธเป็นสารณะพระพุทธเป็นที่พึ่งพรพูทเป็นที่คุ้มครองพระพุทธเป็นที่รักษาพระพุทธเป็นที่อยู่ของเรา ตลอดไปสิ่นี้นี่ให้เราคิดนึกในใจของเราตลอดสอ่อเหมือนนางฟ้ามันขโมยไปฟังเทศพุทธิยะได้สำเร็จสรรพโทนดาโองพระนิสาทิสิตถึงชาฝักรูปของนตนไตเศ้ว่าเป็นคนมีปัญญาเลิอ่อนสิสนางถืออะไรแต่ยิ่งยโสก็อ่านสมมาสัมพุโทโธ เดวนต่อมาที่ติโสพระอังสมาสัพพุโตโอโหที่จะนังเต็นนี้ที่ท้ายมียอย่างนี้เห็นเลว่ามึงว่าประพฤติธรรมประสงค์มึงว่าเป็นสารณะว่าเป็นอริ์ของมึงอันนี้แปลว่านางผู้ไปฟังเทศกเจ้าแล้วได้กำลิกขั้นตินโสดาเขาเห็นมันแสงสว่างมันใสสะอาดที่สมเหตมผผู้โคได้งอตา เมื่ อ, อ, อยู่ตลอดตึงมันถึงอิจาของคลามล อ, อยู่ตลอดสึงนิสันนี่ให้เราทุกคนคิดนึกหน้าที่ตัวของเรายัางจะเกิดต่อไปในโลกหลานคบสาดกว่าที่ได้สำเร็จมาผลตนของตอนที่รักาไม่ดีกับน้องหนาสี่อภานลกแน่นอนไม่ต้องสงสัย <c oughs> ชีวิตใดชนชนทนุกปะบันทิศชีวิตนั้นแปลว่าสมบัติอันนีคือพุทธประทำประสงเป็นสาระในใจของตนตลอดไปชีวิตนั้นจะต้องไปสูงสวรรค์ชีวิตใดที่องค์ธรรมะคือความสุขความเจริญองค์ชานเกิดขึ้นในใจชีวิต น, นั้นก็ต้องไปสูงเมืองพรม อันนี้คืเนื้อว่ามนุษย์ที่ยังเป็นบุตรตนต้องเปนอย่างนี้ตลอดไปให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนในชีวิตวันเกดนี้อายวัตะโกกนวัตะโกคือวัตะโกเจ้วัตะโกพาลวัตะโกวันวัตะโกทุกวัตะโกโอตุวัตตะตาอยวัตตะตานวัตตะตาคริวัะตาเจวัตะตาพาลวัตะตา วนวัาสาทุขวัตสาโหตุสัพพาอาดาชิเออ า, า, าตาชืา่อยาชื่อตาตาสมีชื่ตานางชื่อนงางตาตาปู่ชก่ตาอนุษรางนั่ตนนางาวโซปัวเจ้าวันเจาเป็ น, านาาเจ้าาณักเจ้าธรรมกาย เอวังสิพันติยาเตโยไยยัโคตันนาตินาสังกติสุปิจิตาจิตาลังปิชายนาทานโตปะตัิโชยัสิพโมจะยามิตาิโตเจานาสุจักสัตตะคุณลาลัญจักิจิโนภนังตุมิสุุมยังอโนทตังสนะปะกัรตุพวัสุสัมังคะลังคันที่กัปโตากัปปิจิตากัปปตัมมา แต่พสังขารนภาวีนักจะาสีพวันตื